แลนี่เขาจะไม่เคยโซนขึ้นขเขาโลตัวขึ้นใช่ไหมจะต้องรู้จักคัดนะฮะว่อาอะไรดีไม่ดีจะเห็นเห็นการกระทําของเขาอันนี้เด็กๆมันโซนอะไรมันไม่เห็นอ่ะ ม, มันไม่เห็นการกระทำมันสนุกมันวิง น, นะ <c ười> กระโดดวอลปเปอร์ไปมันไม่รู้ตัวอ่ราพอรู้ตัวแล้นจะทําได้นที่ไหนอ่ะใช่ไหม <c ười> อย่างพวกเราเคยกระโดดลู่เต้มอกอนแค่นั้นเลยใช่ไหมพอโตขึ้นเรารู้แล้วก็ไม่เอาแล้วแต่เราก็ทําอย่างอื่นต่อไปอีกอะไปติดจังเกอร์ดิใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นไปเพื่อไม่ติดไม่ยึดถึงอยู่กับอะไรก็ไม่ติดไม่ยึดเขาเรียกเราไม้พาม่ะตอนเราเคยเล่นน้ำกระโดดน้ําเล่นน้ําเลีนน้ํำอันนี้กระโดดน้ําเล่นน้ําไม่ติดน้ำอืมนี่หมายถงเราอยู่ไม่ติดไม่ยึดแต่ บางใบลัวใบบอนย่างน้าไปลังไง้ชิงขงนเนี่ยสังเกตเนี่ยเป็นตัวอย่างดีไหมเราอยู่ที่เห็นตุ๊กยันไม่ติดโดยจิตใจให้เห็นว่ามันไม่จิตไม่ยิดอยู่แล้วต้องให้เข้าใจอย่างนี้ให้ได้นี่เราถ้าเห็นอย่างนี้เราชินอยู่อัเนี้โอ้ยเห็นอยู่กับความไม่ติดไม่ยึดอยู่กับความไม่ติดไม่ยึดเห็นจิตใจอย่างนี้กระทบสัมผัสมันจะไม่จิต อนนี้เราเขอไปอ่มันเคยติดเคยยึดก็ความเคยเชียนใช่ไหมมันเคยยึติดอยู่แต่เก็ดูไปเรื่อยๆปอยๆต่อมาเปรชั้นกระชั้นชิดคิดคิดที่สุดก็เต้นนะมันโขดว่างว่างเท่าน้ำเติมเท่าไเดิมเข้าไหร่ก็ไล่อากาศออกที่เรียเขเต้นโวดอากาศออกหมดเี่ยวเที่ยวไปนะ ออขอหายเมื ah, ่อก็ลองนั่งดูเดี๋ยวมีอะไรลองสักถามก็ได้นะนะดีนะเนี่ยใกล้ๆกันน่ะนะเนี่ยทีแรกก่อนที่จเข้าใจอันนี้เนี่ยถึงมาเห็นอันนี้เนี่ยพอเรารู้สึกว่นมันอย่างนี้มันวุ่น พอเรามาเห็นความรู้สึกเอ๊ะมันว่างกะแตง น, นี่พอเรารู้สึกเอามันรู้สึกอีกแล้วพอเราไม่เห็นว่างไเรียนจากจุดอะไรนี้ได้ค่อยๆจะเลยนี่เรื่องนี่ดรกมันเืองไม่เรีงนันไม่น่นาเ น, นะแต่พอทาเคยชินแล้วจะบอกให้เรารู้สึกเป็นทรรไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ให้ว่าอะไรเห็นว่าเป็นเรารู้สึกไม่ได้แล้วนี้กลับไม่ได้แล้ว่ะ แต่กอดไม่เคยจะกลับด้วยนะใครมองเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรารู้สึกบังสัตว์ก็ไปตามรู้สึกสักว่าความรู้ต่อมันรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองนี่เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละตัววิปัสสนานะถามวาวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้จริงจริงไม่ใช่นดิด เ, เอาคิดเอานะเขาเริไปดูแล้วการจริงกจริงใช่ไหม เ ห, เห็นหนั่งพอารู้สึกว่านะซ้อนทับย่งไรเห็นฟานซ่อนทับนะเห็นฟารู้สึกว่าซ้อนทับกดทับอยู่ยังไงเห็นได้ในชะแล้วบางครั้งว่าเรารู้สึกว่ า, <c oughs> าเราเป็นเราอะนั่นแหละมีทุกข์ถ้ามีเราเราก็ทุกเรายึดแล้วนั่นแหละยึดแล้วเรียกว่ยกายึดมั่นหรือมั่นแะ หรือเป็นอุปทานนะในภาษาภาษาธรรมะว่าอย่างนั้นถ้าอ่านในตำรานะเาถึาาาางบอกให้ลากอุปทานลากไงจลางไงลอุปทานเห้เรารู้ทีไหว่ามันยืดแต่เขาไมา่เห็นอย่างนี้มันลากเนี่ยมันง่ายมาเะอ่านตำราอ่านให้ลากอุปทานล้วพยายามนะหรือลากตัวตนพยายามนะลาไม่ได้เขามาเห็ น, น อ, อย่างนี้โอ้ยังนี้เังน มันง่ายอยู่กับขอบกูเห็นนะมันง่ายๆอ่ะน่นเนี่ยหงพ่อเทน่บอกทสอนจริงๆมันง่ายแต่เขามาสอนสอนทำไ่ยากของง่ายทำไม่ยากยมันต้องสองทันวีร์นักีดูสิใช่แล้วก็ว่าตาตามสอนตามบางทีเรารู้จริงมันไปรู้จริงมั้หลวงพ่เทนฆ่าไงอ่า รับประกันตัวเองได้ไหมรับประกันตัวเองได้ไหมต้องประกันตัวเองนะต้องรับประกันตัวเองนะแล้วถึงมาสอนเราอย่างรับประกันตัวเองไม่ได้ก็ เ, เพีเยนอยู่แนะนำตามๆอันนี้ไม่ได้หมายถึงม อ, องคนในแง่ล้ายนะเรอยากให้ศึกษาเพื่ออะไงถึงจะได้เข้าใจความจริงมองก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็เป็นอยู่นั้นเราไม่ได้วยทำอะไรเขาว่านะอทําให้เราได้เรียนรู้ เาจะทำให้เราเข้าใจอะไรขึ้นดนั้นเนี่ยเราอย่าไปมองอะไรในแง่ร้ายหรือแง่บวกมองในแง่ของแนวาจริงดีุ่ด เ, เราอยาไปวิภาควิจารณ์ใครนี่ต้อระวังหลดจใจเราอย่าไปวิาควิจารณ์ใครอย่าไปตำหนิีเทียนใครอย่าไปโลษโทษตัดสินใจตัดสินลงโทษใครอย่าไปลบหลูดูถกใคร ติชาริษยาใครยากให้มีในจิตใจเขาดูจิตใจอยาให้ได้แต่หน่านะให้มีสิ่งเหล่านี้จิตใจเราจะหมดเวรหมดการมสิ่งเหลานี่เป็นเวรกรามนะมันจะจำไ้ไม่มีจบเลยแล้วปฏิบัติยังไงก็ไม่มีความพ้นเล็กน้อยๆอยาให้มีใค้เขาทำกับลราได้เราอย่าไปทำกับนะใครจะไปโต้เถียงไ่ตทํงไปเอาชนะแข่งแย่งอะไร แก้ไขตัวเขาอย่างเียไม่มีเสียเปลี่ยนหรอกมีแต่ได้เปี่ยนบางคนคิดว่ามัต้องโตงต่อเขาอเงี้ยไม่เอาแล้วก็ อ, อย่าหาเราโง่ห า, าเราอะไระอะไรมะไม่มไหรกนัที่บอกว่าแพ้เป็นพรชชนะเป็นมาร์กเอาชนะอย่างมาร์จะเป็นมาร์กเป็นพระเดียเป็นมารดแีแต่ที่จิชนะไม่แท้หรอกแต่คนมันมองมันถากันนหลคือชนะนะใช่ไห ชนะความรู้ชนะอ า, า, ารมณ์ชนะอะไรอะไรต่างๆนี่ที่มันใช่ไหก็ชนะตัวเองนี่แหละนั่นที่หมาตัวตอบท อ, อไม่ได้นะหลวงพักจไม่ทำได้นะใช่ไหมเว่าเขาอะไรแต่าได้เนี่อติดามให้อ่ไรติดตามเวลานี่ติดามให้อย่นะางสมบุรนะวัตถุทานนี่ก็มีเงินไปซื้อเท่าไรก็ได้ใี่ไหม นมีเงินไทสุ็ถกเออไทยเนี่ยนะอืไทยเสียงไดไม่เป็นิดเป็นไทยเสียงก็ยังมีเอ็นทาาไทยเราก็ไม่ถือสานะไทยเขาเขาว่ารวไงเขาดีอาจจะเป็นเป็นเป็นเป็นตามต่อดีได้ใช้นี่ช้านานเลยไ่เกิดไม่ใช่ห็นไไทยเขาก็ดีไหมนะเขามาถามทุ่มที่เรื่อเอนะเออ จริงไหมทุกชาตนะอ่ะอ่าอันนี้เรีก ว, ว่าชาตนะิเราชาตนี้แหละเราให้ไม่ได้ก็มีอย่ามันก็ต้อช้นาตอยู่นั่นจรไหมเราเคยงดนิดเราเคยปุ้งา้าตแลรวเคยลาําคาอะไรพูดไม่พูดหน่อยเราลังคาฟังไม่ได้ใครพูดยังไงก็ไม่ต้องลําคาได้ไหมยืนใช้หัดเชื่ใช่ไมได้ฮะได้ได <laughs> ต้องหัดนะ เราจะเป็นอ่ะทีแรกองหัดเ่หม้อกัแลวเราจะรู้หลัทีแรกไม่ได้ต้องหัดลองที่ลองทาลองดูลองทำดูที่ลองหัดทารูเมือเด็กๆทีแรกเดินไม่ได้ความ่ได้านยังัดเลยฮะแ้วก็คิกได้ก็ฟังไดก็เดินได้ผมนี่ล้่าฝึกใจเร้ได้นี่นะเดี๋ยวตามรอยพุทธเจ้าอ่ะใช่หมเจ้าเป็นอย่างนี้เราก็ทำตานทากายทาใจให้เหมือนพวกเจ้าอ่ะ มันยังไงถ้ามีอะไรลองสงสัยอะไรก็ถามได้เลยไม่ต้องเกงใจเลยนะอะไรที่รู้สึกว่ามันขัดแย้งไงเออมันยังไม่ลงตัวหรืออะลรก็นัานได้นะพออันนี้ต้องเป็นไปเพื่อลงตัวอย่างที่มันการที่เราเคลื่อนือสิบสี่จังหวะนีครับดู เ อ, อ, ต, อต้องรู้ผนองต้องรู้ว่าใจเราเนี่ยรู้กับมือไปตามไปคืนนออย่างนี้นะ่ะไอ้ชี่กันจังหวะเนี่ยจะกี่จังหวะก็ะแล้วแต่เีวศิษย์เขาได้หลวพนะ่อทำาทีจะเป็นสิบหกนะจะทำไปดูก่อนนะหนึ่งสา เ5 6 7ห้าหเจ็ดแอามือเข้าเอามือออกหนึ่งสองสามสี Hence, ่ห้าหกเจ็ดดไม่ต้องเท่ากันในนาทีบางง่ายก็เออไอ้เรื่องนั้นก็ไม่ได้สำคัญนี่สิบห้ามันมีสิบสี่มนมีเพราว่าหาแปวาไม่สนนะเวลาจะทำอย่างนี้ สมัยก่อนที่จริงเห็นลุงวัฒเทีนเขาทำอย่างนี้นะแต่นี้มันมีช่างเขียนอยู่คนเขาอยู่ใช่เออชุมพรเขาเลยเป็นเขียนเอเอามาอย่างนี้แต่ที่ก่อ น, นี่เคยเห็นทขาทำอย่างนี้แต่นี้เขาไหว้เขาก็เลยมันไปอย่างนี้ไปเลยมันก็เลยขาดไปสอง แต่ก็แล้ว้ไปเขาหนึ่ทีมหมาะไปหนังสือแล้วเมันกอไปแก้อะไรนท่านก็เลยเอ้าอันนี้ไปเรื่อยๆท่านก็เลยไม่พูดอันนี้อแต่ก็แล้วท่านนะท่านก็มาถามมาแล้มาเขารู้รู้อยู่ตอนหลังก็มอเห็นนี่คืออย่างนีก่อนนะจริงตัวเองไม่ได้เห็นก็ไม่ได้สังเกตมียมหยุดพอยอผู้ื่อนแกถ้าทำแบบนี้ก็ทำแบบหลวงพ่อเทียนแต่มาก็เห็นหลวง่อเทียนแต่ไม่ได้สังเกต เราล้ว่าไอ้ใาญ่คนนี้ทาไมทาแบบนี้ทําเ่เหมือนหลวพ่อเทียนใครๆก็ทาแบบนี้ไอ้นี่มาทาแบบนี้เรานิดใจใจนะในวิภาควิจารณ์ู่ใจใจตอนหลังเขามาดูของจร้วเทีาอย่างนี้จริงจริง้าวืนอย่างใหญ่นะแต่ไอ้แก่ทำแบบนี้สำคัญมากดูตัวน่งนะ ปรนนะกอบให้มันแน่น่ะใคนะรมารู้สึกไ่ ม, นะ ม, มันแน่นขนนะเราสังเกตดูสินี่ฮะอ่าเมื่อตอนทักมันแน่นัวไปอีกเนะอ่อตอนนี้ไอ้คำมันรู้นี่นะอ่ะตอนนี้มันอกี้ถามว่าต้องรู้ยังไงใช่ไหต้องรู้ทุกด้านใช่ไห บางครั้งอาจจะบาทีเรายังไม่น่านอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็อย่าไปเอราเคยประคับปับพอให้รู้ไว้บางครั้งมันก็เผลอไปที่ริงตัวรู้เนี่ยเขาจะรู้ได้เองอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเราต้องเคยรู้อย่างนี้ไม่ใช่นะคืออะไรรู้เองได้นะตัวนี้แต่นี้เราเคยดูอ๋อรู้อยู่เนี่ยเคลื่อนไหวไปทีไปอีกนีรู้ ต้องไม่มีเราเราต้องรู้อย่าให้มีอันนี้อันนี้มันจะเนิ่นช้ามันจะติดมันคือรู้ตรงที่เราฮะต้องรู้ว่าตรงนี้เราคือที่รู้เองนั่นแหละที่รู้เองน่ะไม่มีเรามันนึกว่าเหมือนถ้าเรามือเราก็เป็นต้องมีเข้าไปเข้าไปร่วมจิตอันนึงอะใช่ไหมมีความรู้สึกว่าต้องเราเคยรู้อ่ะเนี้มันจะหนักสังเกตดีๆนะมันจะหนัก มันจะยดอมันจะติดอ่ะมันไม่เป็นคามปล่อยอันนี้เขารู้เองมันเป็นคามปล่อยนี่เป็นสัมมาสติสัมมาสติแปลว่มันเป็นคามปล่อยคามวาเป็นคามหรือความค่อนแตม่ช้าสติแป้ว dov ่าอย่างเห็นผิเข้าใจผิดมันติดมันยึดลักษณะเดียวกันั่นแหละก็อยู่ตรงนี้แหละที่เวลาเราสึกเราต้องทําอะไรนั่นเป็นเราสื่อขนาดไหมรู้สึกว่าเราทําอย่างนี้ยเป็นภาระไหย เรื่องที่ทนี่เราต้องทํานี่นะต้องทำให้ได้ขึ้นชัวงงช่วโมงชั่วโมงนะเป็นภาร ะ, ราะนะที่เราทำกายงานโอ้ยต้องมานั่งทำนี่ไม่เอาไม่ทําดีกว่าไอ้นี่สมานฉาบานมันบริหารกายบริหารใจไปในตัวเสร็จไม่ต้องมีความรู้สึกเป็นการทักจิตปั้ใจไปในตัวเลยต้องเข้าใจนี้ได้นะต้องรู้จักนะอ่า เ, เนี่ยไปเชียใจดูแลให้เรสังเกตอันนี้เราสังเกตไป่อนเป็นรู้ทางหรือก็เอา ใช่ใช่เขารู้เองนะรู้เบาๆเขารู้เองอาจจะนิ่งอย่างนี้คนก็อยากให้รู้มือวางไม่เองอย่าให้รู้ได้ไหมจะรู้ถ้ามันทำหน้าที่รู้บออยากให้รู้มันไม่ได้เนี่ยใช่ไหมดีไหมอันนี้แต่เราต้องรู้อะบางครั้งเราขี้เกียจมืนไม่อยากรู้อ่ะใช่ป่ะมันต่างกันนะดู น, นี้ตัวที่รู้เองดูนี้ นี่ยเขาก็แสงสว่างแล้วนี้นะต่างันนิดเดียวคือเ ร, รู้กับเห็นด้วยกันรู้คือรู้ด้วยเห็นด้วยแต่ธรรมดามันรู้แต่มันไม่เห็น